พวกหมูเพื่อนพระเนนตลอดถึงญาติโยมพี่น้องประชาชนได้ถือคารวะครูบาอาจารย์หลายวัดแต่วันนี้มาคารวะวัดหลวงพ่อและต่อไปก็คงจะไปคารวะวัดอื่นๆต่อไปอันนี้เป็นประเพณีสำหรับพวกเราวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาปี2550วันนี้เป็นวันที่ สิบสองสิงหาห้าศ์เข้าพรรษามาเป็นวันที่สิบห้าว่าสบห้าค่ำวันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราด้วยเป็นวันพระใหญ่ตามประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเนนน้อยจนถึงเป็นครูบาจนถึงมาเป็นพระ อายุพันษาถึงห้าหกปีขนาดนี้ก็ถือกันมาเป็นประเพณีทุกปีไปทำวัดครูบาอาจารย์ที่มีอายุพันามากกว่าตัวเองถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างบางท่านอย่างพระมหาเถระผู้ใหญ่เมื่อเราเข้าไปกราบครวะท่านก็เราก็กล่าว มหาเทเรปมาเดนะท่านเป็นมหาเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่สูงสุดในยุคสมัยนั้นอันนี้ผมมหาเทเรปมาเดนะต่อมากับเทเรปมาเดนะก็คือรองรองลงมาอีกรองจากมหาเถระลงมาจากนั้นก็ตำลงมาอีกอายุพรรษาปุญอาจารย์คือไม่ใช่ไม่ใช่มีพรรษามากอาจารย์เยปมาเดนะ อันนี้ว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ในระดับหนึ่งถ้าจากนั้นต่อมาคือมีการไม่เข้าใจกันหรือมีการทะเลาะ ก, กันหรือไม่เข้าใจกันได้ประมาทพลาดพังไปเรีย ว, ว่าอายสัมมันเตประมาเดนะนคืออายุพรรษาไลไเรียกกันแต่ว่าไม่เข้าใจกันก็มีการผิดพลาดได้ประมาทพลาดพังโดยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้ก็มีการทำวัดกัน เพื่อให้เอาโหสิซึ่งกันและกันอันนี้ว่าอายสัมมันเตประมาเดนะนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราทํากันมาเป็นประจําแต่เราจะถือกันวันเข้าพรรษาเป็นหลักแต่ออกพรรษาแล้วก็ไม่ค่อยทํากันแต่เมื่อเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระเถระหรือว่าอนุเถระหรือครูบาอาจารย์ที่จะต้องไปมาหาสู่กันอันนี้เป็นประเพณีอันดีงาม ก็จะได้ต้องไปถามไถ่ซึ่งกันและกันว่ามีความสุขทุกอย่างไงในการเป็นอยู่เพื่อจะได้โหสารถุกสุขดิบซึ่งกันและกันอันนี้การเป็นการประสานกันส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าเป็นผลดีต่อวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันมานเพราะฉะนั้นควรจะถือไปนานเท่านานทีเดียวในเรื่องนี้นะ เพราะฉะนั้นวันนี้ในพรรษานี้ก็นับว่าเป็นพรรษาปี 2,550 ญาติโยมพี่น้องประชาชนก็มีเวลาว่างหรือมีเวลาจํากัดปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านเมื่อเข้าพรรษาปี50ให้พวกเราสํารวจตัวตาดูตนเองว่า ในพรรษานี้เราจะทําอะไรเนีถ้าเราจะตั้งต้นใหม่ที่ได้ยินหลวงพ่อพูดวันนี้ก็ไม่สายนะไม่สายเกินไปจนถึงวันออกพรรษาหรือเราจะขยับไปอีกก็ได้อีกปิสิบห้าวันเมื่อออกพรรษาไปแล้วจะออกพรรษาหลังว่า ง, งั้นเถอะถือว่าออกพรรษาหลังแต่เพราะฉะนั้นในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทําอะไรสําหรับญาติโยมนะข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวัน ข้าพเจ้าจะทำวัดทุกเช้าทุกเย็นถึงจะย่อและพิสดารข้าพเจ้าจะกราบพระไหว้พระก่อนเพราะข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้สักการบูชาจะไม่ให้ขาดในพรรษานี้เพราะว่าที่ผ่นานๆมาพวกเราหมดเลยตามเลยไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะแต่บางคนก็มีอยู่บ้างที่ ไหว้พระไม่ได้ขาดแต่บางเป็นส่วนมากที่ว่าพวกเราจะต้องขาดการไหว้พระสวดมนต์เนเพราะนั้นก่อนที่จะนอนทั้งในพรรษานี้ยข้าพเจ้าจะถือเป็นจิตจะลักษณะตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจอย่างน้อยก็อัลหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุปฏิปโนนมโมตัสสะพุทธงังธรรมังสังขังสรานางังฆัชฌามิข้านี้ก็น่าว่าเป็นผลดีสําหรับมากๆสําหรับพวกเราทุกๆท่าน ให้เราคิดดูศาสนาอื่นของเขานะอย่างศาสนาคริสต์นี่เขาต้องไปวันไปวัดทุกเจ็ดวันไม่ได้ขาดที่เขาแคร่งในศาสนาเขาอย่างอิสลามอย่างนี้เขาต้องละมาดวันละหครั้งแต่พุทธศาสนาของเรานี่ไม่มีวินยัยไม่มีการที่จะบังคับตัวเองเลยมีแต่วันนับถือพุทธศาสนายโดยมากเป็นศาสนาในทะเบียนบ้านจะมากกว่าเพราะนั้นขอเตือนญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะ ถ้าว่าพวกเราไม่เตือนกันไม่บอกกล่าวกันก็ไม่รู้วิธีการเหมือนกับ น, นับถือศาสนากับ น, นับถือไปอย่งังไงละ่ะที่จะการศึกษาหรือว่าการปฏิบัติตนอย่างไรลูกพ่อพวกเรายังห่างหเหินกันอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนาาักาโยมทุกคนก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหว้พระทำวัดซะก่อนถ้ามีเวลามากกว่านั้นหลวงพ่ออยากจะให้นั่งภาวนานะภาวนาเนะี่ยไม่ใช่ของคือของลาสมัยนะ ไม่ใช่เป็นของพระอย่างเดียวเนะเป็นของพุทธบริษัทสเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายการรักษาการนั่งภาวนานไม่ยากไม่มีพิธีรีตองอะไรถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเสียงสงบงบเงียบนะไม่มีเสียงวิทยุโทรทัศน์อยู่ในบ้านนะเราก็นั่งสมาธิหรือนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้อยู่ในนอนที่นอนตัวเองหรือนั่งในห้องพระก็ได้ เออหรือว่าทุกวันพระเนี่ยเรานั่งก็ได้เราก็ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจเท่านั้นแหละนะทําใจให้สบายทำสบายสบายทําใจให้ว่างๆไม่ต้องคิดปรุงไปอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีความรู้สึกอยู่เดียวนี้นะเออแล้วก็พร้อมกันกับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจแล้วจะตั้งนาฬิกาดูก็ได้วันละหนาทีได้ไหมใหม่ๆนะ หนาทีสิบนาทียีสนาทีอันนี้เป็นการฝึกฝนทางด้านจิตใจแต่ว่าพวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่าจะเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างมากนะเป็นการฝึกฝนทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะรู้ออจะรู้ได้ว่าใจของเราคิดอะไรมีอะไรถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบกระแทกจิตใจจะไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเงาเศร้าซึมนะถ้าเราฝึกขัดเตียงไม่พร้อมแล้ว เพราะนั้นควรจะฝึกเรื่องจิตตภาวนานี่นะอันนี้ก็คื อ, อ, อไหว้พระสวดมนต์ต่อมาก็ให้ทานให้ทานนี่ก็เมื่อพระสงฆ์บินธบาตรผ่านหน้าบ้านในพรรษาเนี่ยบ้านเือนข้องเราครอบครัวของเราน่าจะใส่บาททุกวันนะถึงจะมีข้าวมีกับอะไรก็ตามก็น่าจะตักบาทนะใส่บาททุกวันหรือแทบบาททุกวันพระอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นการทําบุญทําทานในการทําบุญทําทานนี่ เป็นนิสัยอ่อนน้อมอ่อนโยนนะต้องฝึกลูกหลานเอาไว้ถ้าว่าลูกหลานสอนให้ไม่ให้ทําบุญทําทานไม่ให้มีการเสียสละอะไรเสียเลยต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะควักเงิน5บาทสิบาทให้พอ่อให้แม่เนี่ยเขาก็ขี้เหนียวนะเพราะเหอะไรพราะพอ่อแม่พาขี้เหนียวพาขี้ตันี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วยเพราะฉะนั้นการเสียสละเนี่เป็นผลดีนะถ้าลูกหลานเขาทําอะไรเขาจะระลึกถึงพ่อถึงแม่ของเขาก่อน เออพ่อแม่ทำบุญทำทานจิตใจของเขาก็จะเป็นจิตใจที่มีกุศลเป็นกุศลนะจากนั้นเขาก็จะได้ทำควักเงินให้เราได้ง่ายๆสงฆ์ข้ออนุข้อยาติพี่น้องวงสาคนาญาติได้ง่ายๆเพราะจิตใจของเขาเป็นกุศลอันนี้คือทานะนะศีรษะ ค, คือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยคือรักษาศีล น, นะรักษาศีลห่านมีประโยชน์ทําให้ตัวเองมีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้เกี่ยวข้องกร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเนะี่ยอยากจะขอร้องศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะสินข้อที่5นี่ยแหละในภาษาสุราเมระยะมัชชะประมาณนะการดื่มสุราและเมลยนะัยเนี่ยควรจะงดดีไหมเออหรือบุหรี่อย่างนี้เห็นบุหรี่มันผิดกฎหมายไม่มีผิดเออแต่มันผิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพถงงดได้ก็ดีลองงดดูซิเป็นยังไง เขว่าสูบุรีนั้นมันเป็นเป็นพิษเป็นภัยสําหรับผู้อยู่ใกล้ที่นั่งใกล้นะอันในี้ก็ให้พวกเราคิดไว้นี่แหละอันนี้คื อ, คอการเป็นอยู่ของครวญญาติโยมสําหรับพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนท่นี้พระสงฆ์ที่เขามาบวชใหม่ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนวากาณ์นะพระนวากะที่เข้ามาบวชใหม่เจตนาของเราที่เข้ามาบวชมาบวชเพื่ออะไรทําไมจึงมาบวช อันนี้ก็ให้ดูเจตนาเดิมพ่อแม่พี่น้องของเราอยากจะให้บวชบวชเข้ามากับเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ตัวเด็กๆ เ, เล็กๆพวกเราเคยเห็นเด็กเป็นยังไงพ่อแม่เลี้ยงยากขนาดนั้นเราก็ไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ทำหน้าที่การงานเป็นครูบาอาจารย์เป็นพนักงานพวกเราได้ลาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเป็น ทำการทำงานที่ไหนถือว่าพ่อแม่ของเราอายุมากแล้วควรจะบวชทดแทนประคุณของท่านสามเดือนสีเดือนอย่างเนี้ยเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วก็ควรจะทำตัวให้เป็นพระที่ดีนะรักษาเจตนาเดิมเอาไว้ข้าพเจ้าบวชมาเพื่อบุญกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วทำตัวไม่ดีนะทำตัวให้เสียหายในวงการพระพุทธศาสนาก็บวชเข้ามาแล้วก็ทำสเพสะปะเพอ ยังชวนพระเล็กเนนน้อยพระใหม่หรือว่าพระเก่าอยู่ในวัดของท่านพาออกนอกลูก่นอกทางเพราะตัวเองชำนิชำนาญเคยฆรวาสมาแล้วก็มาแนะนําพระใหม่ในวัดเสียหายเข้าอีกอันนั้นไม่ใช่มาสร้างบุญสร้างกุศลนะพระลูกพระหลาดนะอันนั้นมาพามาชักชวนพระในวัดทําให้เสียหายหทําให้เสียหายเป็นบาปเป็นกล้ำไปอีกทั้งที่ตัวเองจะเข้ามาบวชแล้วจะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ ให้บุพาการีของพวกเรากลับมาทำความชั่วเสียหายในวัดวาาสนาเสียอีกอันนี้ก็ขอเตือนพระลูกพระหลานทั้งหลายเนะเขามาบวชในพุทธศาสนาให้ตั้งอกตั้งใจบวชเข้ามาแล้วทํอยังไงให้ศึกษาให้ปฏิบัติแล้วก็ให้อ่านฟังเทปฟังเทปครูบาอาจารย์แล้วก็อ่านหนังสืออ่านพุทธหนังสือพุทธประวัติอย่างนี้ให้ศึกษาเอาทำบมาน มาศึกษามาปฏิบัติจากนั้นมีอะไรก็ถามท่านอถามครูบาอาจารย์ที่พวกเราอยู่ด้วยว่าทําอย่างนี้เป็นยังไงทําอย่างนั้นเป็นยังไงให้สืบสอบถามจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอตั้งอกตั้งใจรักษาศีล ต, ต, ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติในพรรษาให้เข้มงวดปวดขันแล้วก็ทดลองอดอาหารดูเนี่เป็นยังไงอทาไมเมื่อเราเป็นฆราวาสเราไม่เคยอดแต่บัดนี้เราก็มาบวชแล้วทดลองอดอาหารภาวนาดู การภาวนานี่ยค่ะนี่แหละหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาการอดอาหารเนี่ยเวลาจะอดอาหารเนี่ยอย่าไปตั้งคําสัตว์นะอย่าไปตั้งคำสัตย์ข้าพเจ้าจะอดอาหารเจ็วันสิบห้าวันจะไปตั้งสามวันสีวันอย่าไปตั้งคําสัตว์อดอาหารนะให้ตั้งคําสัตว์ว่าข้าพเจ้าในขณะที่อดอาหารเนี่ยจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่อดอาหาร จากนั้นเราอดอาหารเสร็จแล้วก็เราไปอยู่ตะปาไม่ต้องไปคุยนะรวยมากอะพวกพระใหม่ทั้งหลายพอหรือว่าพ้าเก่าก็กตามเวลาอดอาหารนั่นแหล ะ, อะชอบไปคุยกับหมูกับเพื่อนเพราะไม่มีทางออกอมันเปลี่ยวเปล่าดาวเดียวรายและชอบไปคุยถึงเพราะอดอาหารไปแล้วอยู่ตามลําพังไม่ได้ไปหาคุยกุฏิลงนั่นจนลานําคาดจากนั้นอย่าให้มี เวลาเราอดอาหารเราจะพยายามดูใจของเราจะไม่พูดคุยกับใครเราจะภาวนาอย่างเดียวอภ า, าวนากันเนี่ยตื่นเช้ามากับปัดกวาดบริเวณที่พักของตอนเองให้สะอาดอาจากนั้นก็เอาเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาเดินจงกรมกั น, น่มีทางที่ไหนที่ราบเรียบที่มีทางอยู่แล้วเราไปยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งส่อนทางจงกรมเหมนนั่นะ สุดทางที่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นเราปรนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกนะเลือกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบนะจากนั้นเราก็เอามือลงในระหว่างท้องน้อยนะประสานกันมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็ก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเดินตามปกตินะเราไปเดินบินเทาบาทขนาดไหนเราก็เดินบินเดินจงกรมขนาดนั้นแหละ ไม่ใช่ว่ายุบเนอพองเนาะก้าวเนอเดินเนอะไม่ใช่ช้าเกินไปเพราะจิตใจของเรามันวิ่งเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนปืนเหมือนกันเถอะทำไมจึงว่าวิ่งเร็วเราคิดดูสิเราคิดเดี๋ยวนี่นู่นไปถึงอเมริกาอังกฤษอเมริการอบโลกไม่กี่รอบละมันเร็วถึงขนาดนะั้นใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเดินช้าๆไม่ได้เหมือนกันเอะเดินตามปกติแต่ให้เป็นการเปลี่ยนอริยบท ขาขวาพุทขาซ้ายโทขาขอพุทธซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทให้มีสติในการก้าวเดินแหมขาขวาพุทขาซ้ายโทมันจิตใจมันพุ่งไปข้างนอกเอ้าดึงคืนมาอีกพุทธโถพุทธโถอีกเดินเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เอือออกขึ้นมาขึ้นมากับไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาแหมกำหนดลงการนั่งภาวนาทํำยังไงแหมเรากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอานั่งขัดสมัต เหมือนพระประธานนั่งเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นในระหว่างอกสักสก่อนอเราไหว้ครูสักก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงพอมือลงทีงนี้เราจะบริกรรมเลยก็ได้หรือเราจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้นะ แผ่เมตตาเราภาวนาแผ่เมตตาคืออะไรให้บริกรรมว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว <conhe> ouais ์อื่นว right. <ness> ิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขหนพ่อแม่ผี่น้องปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขฮคล้ายว่าเราจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขฮะอย่างนี้ก็ได้นะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นวิญญาณอื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุข อันนี้เราภาวนาจักช่วระยะหนึ่งจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพยายามนั่งให้นานจากนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็พยายามทำใจให้อยู่กับตัวเองตลอดในการเคลื่อนไหวนี่แหละผู้อดอาหารและผู้ปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจงังต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าลูกหลานทาอย่างนี้แะเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วไม่เสียเที่ยวเสียทีทาว่าพวกเราไม่ปฏิบัตินะพวกเราบวชเข้ามาแล้วโอ้บวชเข้ามาแล้วไม่รู้พระไม่รู้เขาอยู่อย่างไงไม่ยกธรรมยังไงดูแล้วก็ไม่มีกิจธุระอะไรด้นด้นเด้นเด่น ด, ด, ด้านด้านไปอย่างนั้นน่ะอแล้วก็ไม่เห็นเขาทาอะไรเพราะเหตุใดพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาแต่ตามศึกษาแล้วเราต้องศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาศึกษาพระพุทธเจ้าของเราอยู่ในเวียงในวังนะท่านครองราดอายุยี่29บเก้าปี ถ้าาว่าอยากจะถามในรายละเอียดเนี่ยถามท่านอาจารย์พ่อครูเจ้าคณะอาเภอภูนาลาวที่นั่งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยท่านไปอยู่อินเดียนะอ่อยู่อินเดียเพิ่งกลับมาเนี่ยมิโญ่ยุ่กี่ปีแต่ว่าเมืองอินเดียเนี่ยแตกสลุกผู้พ่ายหมดแล้วงั้นแต่ไปได้ทุกผลละแหง่งเพราะะฉนั้นอยากจะถามท่านก็ได้ว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไปประเทศอินเดียแต่ว่าได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วได้ศึกษาตามแนวแถว ที่ได้ยินได้ฟังนะก็พระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงกบินลพัฒน์นะห่างจากต้นโพโครนต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วได้ยินว่าขนาดนี้เป็นเมืองขอนแก่นนะไปเมืองขอนแก่ น, นะ แ, กนแสดงว่าม้าขันตะกะของพระพุทธเจ้ากับนายฉันนาเนี่ยพอหนีออกจากเวียงวังก็คงจะวิ่งตะบึงเลยงั้นเถอะอคงจะม้าฝีเท้าดีพอสมควรอจนไปถึง ที่นู่นเอะจึงได้บวชนะสิทธิษฐะบวชอบวชอยู่ในป่าตามลําพังก็ปล่อยให้นายฉันน่ากลับคืนมาสิทธิษฐะท่านก็อยู่ตามลําพังแต่บางคนก็คิดแบบงโง่โง่อีกเพราะงั้นเด็กคิดแบบงโง่โงอสิทธิษฐะไม่รับผิดชอบในครอบครัวขนาดมีลูกมีเมียลูก น, น้อยๆเพิ่งเกิดมาใหม่กันหนีจากครอบครัวไปอีกนะ้คิดแบบโง่โงอย่า ง, ง น, นั้นหนีจากพ่อแม่อีก พ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวคือสิทธถะจากนั้นลูกต่างมารดาก็คือนันทะรูปันันทาอันนั้นคือลูกต่างมารดาของนางโคตมีลูกต่างมารดาแต่ลูกศริมห า, ามายาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นลูกคนเดียวแล้วก็แม่สเสด็จสวรรคตพ่อเองก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนแต่ทําไมสิทธะถะจึง อหักล้างหักพงพระบิดาหนีไปบวชโดยที่พระบิดามารดาวงศาขณาญาติไม่รับรู้ทําไมสิทธิ์ฐาจึงหนีขนาดนั้นไปบวชเนี่ยคนนั้นเน่ะคนที่คิดเนี่ยเอเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดแบบโง่โง่งั้นกะเพราะเขาคิดไม่ไกลอคนโง่มืนกับข้องคิดสั้นเป็นธรรมดาแต่สิทธิ์ฐาท่าไมได้คิดสั้นนะท่านคิดยาวคิดยาวมากเลยเอทําไมสิทธิ์ฐาจึงคิดยาวทว่าโอ้เออ ท่านภาคเพียรเอ๊ะท่านไปเห็นคนแก่นะ่ท่านเสด็จไปที่จะไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่หลังค่อมอ่าตาฝ้าฟางผมหงอกผิดปกติของคนทั้งหลายอันนี้คือไขนะ่ท่านถามอันนี้อะไรนายฉันน้าบอกว่านี่คือคนแก่นะ่ะเอ๊ะเราจะแก่ไหมเนี่ยโอแกพระพุทธเจ้าถ้าไม่ตายง่ายต้องแก่อย่างนี้โอ้ตายแก่นี่น่ากลัวจริงๆนะในใจของพงค์คิดแล้วเอ๊ะจะทายัางไงจริงจะไม่แก่นะ ต้องหาวิธีการที่จะไม่แก่เละจากนั้นก็ไปพิจารณาไปเห็นอีกไปเห็นคนเจ็บชักตื่นชักงอยอีกท่านขอนถาม น, น, นายชนะที่นายสถถัตถีขับรถพาไปสวนอุทยานอันนี้คืออะไรทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาเจ็บไข้เจา้าพารเพราะพระองค์สุขภาพดีไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดเลยนะไปเห็นคนเจ็บมาโอ้โหทําไมเขาถึงทุรนทุรายขนาดนั้นเนีเรามีโอกาสจะเจ็บอย่างนั้นไหมเป็นทุกคนต้องมีโอกาสเจ็บใข้ได้ป่วย เป็นไปได้เอ๊แต่ทำยังไงจึงจะหนีจะยังไม่เจ็บป่วยจากนั้นก็ไปเห็นคนตายอีกเอ๊สลดยิ่งสล ด, ดสังเวชใหญ่อีกทีนี้โอ้ทุกคนจะหาความสุขที่ไหนได้ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรถือถึงจุดจบแล้วก็ตายแล้วไม่มีอะไรไปด้วยเขาเอาไปเผาไฟทิ้งเฉยๆแล้วจะทำยังไงความสุขจริงจะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ท่านก็พิจ <c oughs> ต ก, กังวลจุดนี้อย่างมากจากนั้นท่านก็ไปอีกไปเห็นสมณะ นั่งอยู่โครนต้นไม้เอออันนี้อันนี้กำลังที่จะเป็นหนทางที่จะหาทางหลีกเล้นออกจากวงสาคนายาิหาทางพ้นทุกได้แต่ถ้าคาว่าอยู่ในเวียงในวังวงสาคนายาิห้อมล้อมอยูออ่ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดขุดคน้นหาช่องทางที่จะพ้นทุกได้ สิทธิ์ฐาท่านออกมาคิดถึงเออถ้าเราต้องปีกหลีกตัวออกจากวงศสาคนาญาติเราจึงจะหาทางพ้นทุกได้จากนั้นพระพุทธองค์ก็หาโอกาสหาช่องหาทางจนถึงได้ศบโอกาสว่างั้นเถอะศบโอกาสพุทธองค์กับ น, น, นายชนะกับอกกล่าวกันจากนั้นก็ขึ้นม้าพ่อตะบึงอลไว่างั้นเถอะไปถึงแม่น้นําอโนมาณทีนะจากนั้นก็พวง์ก็ปรงพระโมลีตัดพระโมลีตัดผมด้วยพระแสงขันคือดาบจากนั้นก็มอบ เครื่องของใช้เครื่องทรงของกษัตริย์ให้แก่นายชันนาให้ถือกลับมากุงกบินนภัสส่วนพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลําพังกษัตริย์อยู่ตามลําพังพวกเราคิดดูก็แล้วกันท่านไม่ได้ส่ะแสวงหาความสุขสนุกสบายอย่างที่พวกเราที่ชี้งโง่เพราะพระติจเจ้าท่านไปปีกตัวออกไปหาความสบายพราะพระพองค์เป็นคนขอทานเลยท่านี่ในใจของพระ อ, องคนะ์จะทํำยังไงจึงจะส่ะแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้ได้จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิด พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเอาอยัางไงเราจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้คือในใจของสิท ธ, ธัตถะในขณะที่ออกบวชจากนั้นท่านก็ไปศึกษาค้นคว้าอยู่ถึงหกปีนะอยู่ในป่านั้นผล<ม>ที่สุดเกือบเอาตัวไม่รอดคืออดภักกาหารถึงสี่สิบเก้าวันเออร่างกายพ่ายพร้อมโ ก, กเกลยอยืองั่นเออย่างพวกเราเห็นยุคบำเพ็ญทุกขกิกริยาของสิทธัตถะนั่น่ะ จากนั้นโอ้ไม่ใช่ทางการทรมานกายให้ลําบากเปล่าจากนั้นท่านก็กลับมาฉันพัฒนาอาหารอีกฉันอาหารตามปกติพอร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะท่านเป็นยังอายุยังหนุ่มแน่นอยู่เนี่ยยังหนุ่มแน่นอยู่อดอาหารเพียงแค่นั้นนิดเดียวพอทานอาหารปุ๊บร่างกายมันก็ฟื้นขึ้นทันทีเลยใหญ่ร่างกายปกติทันทีจากนั้นท่านก็บําเพ็ญทางด้านจิตใจ จนมาถึงวันเดือนหกเพนน่วันนั้นแหละเป็นวันจุดสนวนหรือเป็นวันสำคัญยิ่งที่พวกเราได้รับแสงธรรมหรืออมตะธรรมจากศิท ธ, ธิธรรมพระพุทธเจ้าของเราคือ น, น่วันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้านั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้าอยู่ที่โคนต้นโพธิพุทธคยานะ เมืองอนะินเดียนั่นแหะท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นท่านก็กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวมีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้กําหนดพุทโธนะเพราะท่านยังไม่ได้เป็นพุทโธงั้นแหะเพียงแต่มีสติกับลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะจิตรวมเป็นหนึ่ง เมื in ่อจ all oh, ิตรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดชาตนะเกิดญาณทัศนะระลึกชาติผลหลังได้จิตใจปลอดโปร่งว่ากันเถอะเอจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจปลอดโปร่งระลึกชาติผลหลังได้โอ้ชาติผนหลังเนี่ยาวเหยียดเลยทีนี้ชาติที่แล้วเป็นไงชาตินั้นเปียรู้หมดเลยทีนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติอันนี้ว่าปุเพเนวาสารนสติญาณสรุปแล้วเราสรุปแบบง่ายง่ายย่นย่อว่ะตายแล้วไม่สูญ ถ้าสูญแล้วพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงนี่นี่แหละตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมาถึงชาตินี้ที่เป็นชาติที่ศีรษะนั่งภาวนาพราะองค์รู้แก่ใจแล้วโอ้ตายแล้วไม่สูญ เ, เป็นหนทางวิญญาณใจของเราเนี่ยเป็นหนทางยาวเหยียดและมาถึงจุดนี้เอแต่นี้ท่านก็นั่งภาวนาอีกจนถึงเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนจูตูปะ ป, ะปะตาตยาน การจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วใครออกจากชาตินี้จะไปที่ไหนชาติแต่และแต่และสัตว์แต่ละฌานแต่ละดวงวิญญาณจะไปที่ไหนพระองค์ก็รู้อีกทีนั่นแหละว่าได้แล้วสำเร็จญาณเป็นที่สองแล้ว่าจุตูปะปาะตะยานพอจวนสว่างพระองค์ก็นั่งภาวนาอีกไม่ลดละท่านค้นคว้าอยู่ว่าใจที่ดวงนี้มันมาจากไหนมาเกิดมันทําไมมาอย่างไงมันไปที่ไหนมันไปยังไงจึงมาเกิดที่นี่ จะมาเป็นมาอย่างนี้พุทธองค์ก็ย้อนไปหาดูใจอีกแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาปัจยาสร้างฆราสร้างาราปัจยาวิญญาณังท่านก็รู้แลลวเออใจตรงนี้มาจากความโง่เออความโง่คือความตัวไม่รู้ตัวอวิชชาอาวิชชาคือตัวไม่รู้ทีนี้พุทธองค์ก็กำหนดดูพิจารณาเอามักแปดสินสมาธิปัญญาเข้าไปกันกรองไตรตรองเหตุและผล อ, อ, อริยสัจสีเออ ไตรลักษ์เข้าไปพิจารณากันกรองจนจิตรพระ อ, องค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะกิเลสคือไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์ถึงจิตใจปล่อยวางจิตใจว่างพระพุทธองค์รู้แกพ่พระองค์ว่างพระ อ, องค์หมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่จะให้เกิดนั้นเราก็ท้อออกไปแล้วเราทําลายไปแล้วจิตใจของเราบริสุทธิ์แล้ว เหมือนกับท่านมีเม็ดข้าวตะ ก, ก่อนมีเม็ดข้าวเปลือกอย่างนั้น่ะท่านก็เอามาสีมาทบกระเทาะเปลือกมันออกซะไอ้ทีนี้มีแต่ข้าวสารอถิ่ง ท, ที่ทำให้เกิดมันหมดแล้วเพราะมันตาก็ออกไปแล้วยางมันก็ออกไปแล้วเปลือกมันออกไปแล้วจะเอาข้าวสารไปปลูกมันปลูกไม่ได้แล้วว่างั้นท่านจึงว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะไม่มีสิ่งที่จะมาให้กวนอีกกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาไม่ถึงอีกแล้วเพราะพุทธองค์กระเทาะเชื้อออกหมดแล้วเชื้อคือกิเลสราคะโทสะที่ทําให้หมุนเวียนออกไปแล้วนิพพานา mismo, ังปรามังสูญย่างนิพพานสูญสู์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อคืออะไรเชื้อคือกิเลสคือกิเลสราคะโทสะโมหะคือเชื้อที่จะทําให้เกิดนะพะพุทธองค์กาจัดออกแล้วเหมือนกับมเมล็ดข้าวกระเทาะเปลือออกแล้วนี่แหละ อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาของพุท ธ, ธะที่ลิเริ่มมาตั้งแต่นั่งสมาธิทานฉินภาวนามาถึงจุดนี้พวกเราควรศึกษาจุดสนวนที่แรกที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชนั้นคืออะไรเราไม่ต้องพูดถึงจุดอื่นจุดที่พระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศน์นั่นล่ะ กุญแจดอกแรกที่พระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นพระพุทธองค์เมื่อได้สําเร็จตัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศพระธรรมคําสั่งสอนคือประกาศพระธรรมทนี่พระธรรมก็คือคําสั่งสอนพระสงฆ์ก็นําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พวกเราอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนนะให้ พิจารณาไต่ตรองดูให้ดีชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนลวงพ่อไปที่ไหนลวงพ่อเขาบอกกล่าวเตือนไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเน้เอ อ, อยากจะเข้าไปรักษาศีลไปไหว้พระสวดมนต์วันพระวันเจ้าก็ให้ไปวัดไหนอยู่ใกล้ก็ให้ไปศึกษาให้ไปปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานเน อ, อมันอยู่ไม่นานไม่รู้ว่าเราจะจากไปวันไหนให้เตรียมตัวเอาไว้นะ เตรียมตัวไว้ต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อคือเตรียมตัวตายเพราะงั้นเลเตรียมมาไว้จากนั้นก็เนี่ยพอเราเกิดมาหลวงพ่อเคยบอกว่านี้นะยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้แล้วนะวีซ่าเตรียมไว้แล้วหลวงพ่อภูนาหลาวคงจะจําได้ดีมั้งติดต่อวีซ่ามากต่อมากยากต่อยากเพราะงั้นลยวีซ่านี่คืออะไร แต่นี่พอไปเข้าไปหากระทรวงต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คอยวีซ่างั้นเถะไอ้อีกวันดีคืนดีวีซ่าก็ส่งมาถึงนะอหลวงพ่อก็ต้องเดินทางต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันนะพอเราเกิดมาเนยอมมทูต เ, เขาเขียนวีซ่าให้แล้วนางนั้นนางนี้ไปเกิดแล้วแล้ววันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่าเข้ามาถึงเราทำงานเถอะบางคนก็ยังหนุ่มบางคนก็แก่บางคนก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มากๆ จากนั้นส่งวีซ่ามาให้เราเราก็ได้รับวีซ่าโอถึงขราวจะได้เดินทางต่างประเทศแล้วเนี่ยจากนั้นก็่นี่อลมหายตายจากลูกหลานไปแล้วทีนี้จากนั้นเขาก็ส่งขึ้นเมนแล้วทันั้นไปต่างประเทศหายเงียบเลยว่างนั้นทีนี้มากต่อมากปู่ย่าตายายของพวกเราไปต่างประเทศนี่แหละทีนี้มาพิจารณาต่างประเทศมันต้องไปด้วยกันทุกคนทีนี้ต่เมื่อไปแล้วไหนทำยังไง แต่บางคนพระพุทธเจ้าทว่าเมื่อไปต่างประเทศแล้วตกทุกข์ได้ยากได้ทิเนี่พราะเห็นอะไรเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเขาไม่ได้ส่องแสวงหาทรัพย์ใส่ตัวเองไว้น่ะไม่ได้หาทุนไว้ไปก็ไปแบบนั้นน่ะมาอยู่ในโลกเชื่อบางไม่เชื่อบาง แ, แต่สุดแทบจะไปแต่พอที่สุดทีซ่ามาถึงเขาส่งเขาไปทีนิจตายลงจากเครื่องบินไปแล้วไปถึงต่างประเทศแล้วไม่รู้จะหากินที่ไหนที่นี่บางทีก็เป็นเปรตได้สิเพราะไม่มีทุนทรัพย์เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงบอกว่าก่อนที่ท่านจะไปต่างประเทศนั้นท่านได้เตรียมพร้อมอะไอย่างท่านได้คิดตีอะไอย่างทุนทรัพย์ของท่านที่จะติดตัวไปนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเป็นที่อุ่นใจอะไอย่างถ้าว่าท่านยังไม่อุ่นใจให้ท่านเตรียมพร้อมไว้นะท่านจะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอน6ลุก ค, ค, คนเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วไม่สูญนะนอย่างที่หลวงพ่อพูดน่ยนะ ขูดเพจในวาสานวตถุติยานเพราะผู้เทใจเจ้าท่านเตือนอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆุท่านนะที่ได้ยินคําหลวงพ่อพูดไม่ใช่หลวงพ่อขู่นะไม่ใช่หลวงพ่อขู่ให้พวกเรากลัวความตายไม่ใช่พูดตามความเป็นจริงให้ฟังนะพูดตามความเป็นจริงให้ฟังหลวงพ่อพูดจริงไหมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันจริงร้อยทั้งร้อยเลยเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นตายแล้วสูนตายแล้วเกิดนี่พวกเรายังสงสัยอ้าวสงสัยก็สงสัยไปแต่ว่า จะให้หมดความสงสัยนธรรมำยังไงนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าพานั่งที่โคนต้นโพนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจเข้านี่แหละหลักที่สูจนตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญแต่ถ้าคําว่าพวกเราไม่พิสูจน์มีแต่ความไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เกิดประโยชน์ อ, ช อ, อะไรทั้งหมด อ, อถึงจะเชื่อเชื่อก็จริงอยู่แต่ว่าเชื่อเนีเออเราจะต้องสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเอาไว้เป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้เป็นผลดี แต่ถ้าว่าเราไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีอย่างนั้นอ่ะแต่คนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีเอ้ยมันจะมีอะไรเอ้ยที่นั้นมันเป็นเหวนะตกสลานะสลาไม่มีลูกกรงระวังนะเอไม่มีอะไรหรอกอพอเดินตกสลาไปตาบอดคอหักได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะไม่เชื่อคนตาดีเพราะนั้นพวกเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ดี ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วหลวงพ่อจะอจะยกประเด็นให้พระฝรั่งที่เคยมาอยู่กับหลวงพ่อเมื่อหน้าแรงที่แล้วนี่ยในช่วงเดือนมีมีนาเมษาเขาถามสามปัญหาแต่หลวงพ่อเคยแจกไปแล้วละเทปแต่ขอบอกอีกว่าเขาถามปัญหาในกระนาคิดคือปัญหาที่แรกเขาถามว่าเมื่อเขาป่วยแล้วเขาจะทําตัวอย่างไรอแต่หลวงพ่อจะไม่อธิบายมากจุดนี้เพราะว่าเวลามันจํากัดเข้ามาแล้ว หลวงพ่อกขาว่าให้รักษาตามอาการอแล้วก็ทางรักษามันอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ควรจะกลับมาวัดไม่ควรจะให้พยาบาลเขาเอแก้ผ้าอาบน้ําอาพร้าให้ดูแล้วก็มันไม่ดีเอเราเราเป็นพระกลับมาซะรักษาตามอาการอหลวงพ่อกขาบอกงั้นอันดับที่สองหนึ่งน่าคิดทีนึ่ปัญหานี่ปัญหาข้อที่สองนี่น่าคิดหลวงพ่อครับเวลาจะตายเนี่ย เวลาจะใจขาดจะวางใจยังไงจะคิดยังไงและจะทำใจยังไงในใจที่ในขณะที่ใจจะขาดที่ใจจะออกจากร่างโอ้ปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะ เ, าเป็นปัญหาโดยตรง เ, เป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องคิดไวล่วงหน้าเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยตอบ ป, ปัญหาเขาว่าปวกปัญหานี้มันน่าคิดคือปัญหาที่ก่อนที่ใจจะขาดถ้ า, าว่าพวกเรา ไม่เคยฝึกหัดมาก่อนไม่เคยนั่งภาวนามาก่อนไม่เคยฝึกจิตใจมาก่อนเวลาตายเข้าไปเหมือนกับเราเข้าอยู่ในมรสุปั่นป่วนทีนี้ไม่รู้ที่คิดถึงเรื่องลูกเดืองเมียเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องพัชตทานเรื่องกฎเรื่องอะไรถ้าเราคิดปันป่วนอย่างนั้นเวลาใจขาดปุ๊บในขณะนั้นไม่รู้เราจะไปที่ไหนบางทีอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ แต่ถ้าว่าพวกเราได้เตรียมการไว้ก่อนได้เตรียมตัวไว้ก่อนเออเวลาป่วยลงมาเออข่าวนี้ข้าได้จะต้องตายแล้วข่าวนี้แอบหรือว่าเราประสบว่าเหตุปุ๊บเข้ามานี่โอ้ข่าวนี้ถึงข่าวเราเราคงไม่รอดเลยเราก็จิตใจปุ๊บเขามาจับที่ใจของเราเลยระลึกถึงบุญกุศลเออบุญกุศลที่ข้าไปเจ้าได้แอบสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดวาศาสนากรถินผ้าป่าแอบสร้างพระโพธิโลกด้วยบุญกุศลมาช่วยข้าไปเจ้าเด้อครั้งนี้แอบเราน้อมจิต ถ้าใจขาดปุ๊บในขณะนั้นไปสู่สวรสด์เพราะเหตุไรเพราะจิตใจของเราเป็นกุศลแต่ถ้าว่าใจของเราเวลาใจจะขาดปุ๊บเราเคยนั่งภาวนาเราก็เข้าสู่สมาธิทันทีเออเราดูจับอยู่ในใจของเราใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่สัน่นใจนิ่งดูใจของตัวเองเ อ, อบูกายอีกต่างหากว่าร่างกายของเรามีอะไรเห็นไหมสมัยเมื่อก่อน่ะก่อนหน้านี้นะ่ะเวลาเร า, เรา อยู่ดีมีสุขเดินเหินไปที่ไหนก็ได้แต่บัตรนี้เราใช้ร่างกายนี้ไม่ได้แล้วร่างกายเป็นข อ, ier, <og> ของเราก็จริงอยู่แต่เราใช้ไม่ได้เราเพียงแต่รู้เกิดมาพบนี้ชาตินี้เราก็เห็น ว, ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตัวของเรานะเราใช้ไม่ได้ถ้าว่าเกิดชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอีกอย่างเก่าไม่เป็นอย่างอื่นแต่เกิดพบไหนชาติไหนมันเวลาจะตายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราเป็นทุกข์เราทาไมมาชอบอกชอบใจในร่างกายอย่างนี้ ทีนี้เรามาพิจารณาถึงแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายนะเมื่อพิจารณาอย่างนั้นได้นะสมะสีสีสมะสี ส, ส, ส, สีจิตจะหลุดพ้นในขณะที่เราพิจารณาจวนเจียนใจจะขาดนะบางทีอาจจะเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันเพราะเกิดความเบื่อหน่ายคลายในร่างกายของเราถึงพระอรหัน์ได้ง่ายๆ่างพ่อว่านะแต่ถ้าว่าจิตใจของเราปั่นป่วนจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัว อย่างพระภิกษุในพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยยกมามากต่อมากแต่ก่อนที่จะใจขาดท่านระลึกถึงผ้าจีวรของท่านนะ่ะห่วงผ้าจีวรพอใจขาดปุ๊บท่านก็ไปเกิดเป็นเล่นในผ้าจีวรตัวเล่นตัวลายตัวเล็กๆนะ่ะอไปเกิดอยู่ที่นั่นทันทีเพราะความเป็นห่วงหาอะไรแต่ทีนี้ถ้าว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมถ้าว่าใจจะขาดคิดถึงลูกถึงหลังคิดคือทิดถึงบ้านถึงเรือนพอมาถึงเน้อเอา้า ลูกสาวลูกชายเขาก็ทําหมันไปหมดแล้วไม่รู้จะเกิดที่ไหนอ า, อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เฝ้าบ้านของเขาเกิดเป็นตุกกต๊กกองตุ๊กแก่เกิดเป็นหนูแถวๆนั้นก็ได้เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเหมือนกันเถอเพราะฉะนั้นเราอย่าห่วงใครนะในจุดนั้นนะ เ, เราไม่ต้องห่วงใครทั้งหมดให้ห่วงตัวเองให้ระลึกถึงบุญคุณให้ระลึกถึงบุญกุศลของตนเองให้มากในขณะหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะ ได้มาทําบุญทําทานในวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าอาเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชานียหนังเอตมังสารม ต, ตมันตีติให้พวกเราเจะคบคนผ่านให้คบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์หลวงพ่อไม่ได้ยกผู้นั้นผู้นี้ไม่ใช่หลวงพ่ออินเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ศีลห้าของพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์ศีลแปดศีลอุโบสถศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรร ม, มขันนั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์พวกเราให้เข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าเข้าไปอยู่ใกล้เข้าไปเสวนาเข้าไปศึกษาในเมื่อเข้าไปศึกษาแล้วนั่นแหละจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์สอนพวกเราให้พวกเรามีความสุขความเย็นใจเอ อเสวนาจะบาลานังบัณฑิตาเนี่จะเสวนาบาลานังก็คือคนพาลเราจะไปคบคนพาลคนพาลก็คือภาลชนนะพารชนคือคนพาลนักเลงหัวไม้บังคนพาป่นพาจี้พาคตรพาโกงอันนี้ว่าภารชนภารชนเป็นสองเหมือนกันนะบัณฑิตก็สองพารชนอยู่ในใจของเราถ้าเปรียบเทียวแล้วสองอย่างนะคือภารชนข้างนอกก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดนักเลงหัวไม้ ลักเลียงในใจของเราเราคิดไปในทางชั่วนะเราคิดไปในทางชั่วคิดอยากจะทำความชั่วคิดอยากจะพูดความชั่วอันนั้นแปว่าพาละชนนะแต่ถ้าเราคิดไปในทางที่ดีอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะทำคุณงามความดีอยากจะไหว้พระสวดนมนต์อันนี้บัณฑนะินะบัณติก็อยู่ในใจพาละชนก็อยู่ในใจพาละชนอยู่ข้างนอกแต่บัณติอยู่ข้างนอกสู้อยู่ในใจไม่ได้นะ หยุดในใจในใกล้ชิด ก, กว่าเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตใจของตนเองเป็นสําคัญนะบูชาจะปูชาในยาหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณสาหรับเราเราควรจะบูชาเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราทําได้อย่างนี้ชีวิตของพวกเราจะมีแต่ความเจริญงอกเงยงอกงามามีแต่ความสุขความเย็นใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ การเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านพูดถึงญาติโยมพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์ให้มีทานมีศีลมีภาวนาจากนั้นกบะใหม่ที่เขามาบวชในพุทธศาสนาให้ตั้ง อ, อกตั้งใจให้รักษาเจตนาเดิมเอาไว้อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เป็นผู้มุ่งมั่นจากนั้นก็ให้ทดลองการเป็นอยู่อดอาหาร ภาวนาพยายามทําจิตให้สงบให้ได้ที่เรามาบวชในครั้งนี้เรามาศึกษาเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชท่านมีจุดประสองค์อะไรทําไมท่านจึงออกบวชอย่างนั้นท่านออกบวชแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรนี่อย่างเนี้ยขอให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาและก็นํามาประพุทธปฏิบัติทําจิตใจยังไงภาวนาอย่างไงหลวงพ่อก็ได้อธิบายในวันนี้ยืดยาวพอสมควรนะจนถึง มาสุดท้ายก็มาพูดเรื่องพระฝรั่งถามปัญหาเมื่อขณะที่ใจจะขาดจะทำจะทาใจอย่างไรในขณะที่ช่วงนั้นถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกไว้ก่อนนะถึงวันนั้นถึงคราวนั้นมาปั่นป่วนแน่ๆงั้นเถอะไม่ว่าท่านผู้ใดล่ะแต่ถ้าว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมไว้ต่อๆเตรียมตัวไว้แล้วไม่สะทกไม่สะทานถึงคราวล้วแล้วเหรอถึงคราวเอาก็ไปเข้าไปวะใครจะอยู่ ทำฟ้าดินสลายได้ปะอันนี้ถ้าว่าพวกเราได้ฝึกเอาไว้แล้วจะไม่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวนะจากนั้นก็ในการครบค้าสมาคมบัณฑิตนักปราชญ์ให้พวกเราฟังธรรมเทศนาจากสถานีวิทยุองค์หลวงตาเนี่ยนะทุกวันนี่หลวงตาเทศทุกวันเลยนะฟังเลยนะมีเทศหลวงปู่ล่าหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่ชาหลวงปู่ฉิมหลวงปู่อะไรทั้งหมดยี่สกว่าองค์ที่เทศให้ฟังหาได้ยาก ที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเนี่ยสถานีวิทยุองค์ลรงตาเนี่ยจ่ายปีละหกล้านกว่าบาทเฉพาะค่าเช่าสถานีวิทยุโทรทัศน์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเรารู้จักตักตวงรู้จักฟังนะนันเมื่อฟังแล้วต้องเกิดปัญญาสุตตะมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตะมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการทบทวนเหตุและผลนะ ภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบแล้วจากนั้นก็ น, นํามาพิจารณาในไตร ล, ลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเรานะการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรโดยอํานาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองและกพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการ